พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่17บทสรุปอริยสัจสีอริย ส, สัจ ส, สีเป็นหลักธรรมสำคัญที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเนื้อความทั้งหมดที่ได้แสดงมาในหนังสือเล่มนี้ก็รวมลงในอริยสัจสีได้ทั้งหมดดังนั้นจึงใช้หลักอริยสัจสี เป็นบท ส, สรุปปิดท้ายหนังสือข้อควรทราบบางประการเกี่ยวกับอริยสัจส์่มีดังต่อไปนี้ฐานะและความสำคัญของอริยสัจพิภุทษุทั้งหลายการรู้การเห็นของเราตามเป็นจริงครบสมปริวัตริ12อาการในอริยสัจสีเหล่านี้ ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มชัดตราบใดตราบนั้นเราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าเราบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่เข้าใจอริยสัจ ส, สี่ทั้งเราและเธอจึงได้วิ่งเล่นเร่ร่อนไปในชาติทั้งหลายสิ้นกาลนานอย่างนี้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ท, ที่เที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวงยอมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนั้นกล่าวได้ว่าเป็นยอดเยี่ยมในบรรดารอยเท้าเหล่านั้นโดยความมีขนาดใหญ่ชั้นใดกุศลธรรมทั้งสิ้นทั้งปวงก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจสี่ชั้นนั้น ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุปิกถาแก่อุบาลีขรรหาบดีกล่าวคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษความบุกร่องความเศร้าหมองของกามทรงประกาศอนิสงส์ในเนคข ม, มะครั้นทรงทราบว่าอุบาลีขรรหาบดีมีจิตพร้อมมีจิตนุ่มนวลมีจิตปราศจากนิวรน มีจิตปราบลืมมีจิตเลื่อมสายแล้วจึงทรงประกาศสามุ ก, กังศิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวคือทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมักสามุ ก, กังศิกาธรรมเทศนาแปลกันว่าพระธรรมเทศนาที่สูงส่งหรือที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเชิดชู หรือเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่มักตรัสต่อเมื่อมีผู้ทูลถามหรือสนทนาเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลครองชีวิตประเสริฐคือโพรมจรรันย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคก็เพื่อการรู้การเห็นการบรรลุการทำให้แจ้งการเข้าถึง สิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่บรรลุยังไม่กระทำให้แจ้งยังไม่เข้าถึงกล่าวคือข้อที่ว่านี้ทุกนิทุกข์าสมุ ท, ทยัยนิทุกขานิโรธนิทุกขานิโรธถ้าคามนีปฏิปทามีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นลักษณะของคำสอนในพระพุทธศาสนา อการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์กล่าวคือความจริงที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เป็นความจริงก็ไม่สอนและอริยศว์นี้ถือว่าเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ในที่นี้โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสนพระไถ่และไม่ยอมส่งเสียเวลาในการถกเถียงปัญหา ทางอภิปรัชญาต่างๆมีพุทธพจน์ที่รู้จักกันมากแห่งหนึ่งจากมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาดว่าดังนี้ถึงบุคคลผู้ใดจะกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงพยากรณคือไม่ตอบปัญหาแก่เราว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้น หรือชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างสัตว์หลังจากตายมีอยู่หรือไม่มีอยู่สัตว์หลังจากตายจะว่ามีอยู่ก็ใช่จะว่าไม่มีอยู่ก็ใช่หรือว่าสัตว์หลังจากตายจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้หากยังไม่พยากรปัญหาเหล่านี้ตราบใดข้าพเจ้าก็จะไม่กรองชีวิตประเสริฐคือพรมจรในพระผู้มีพระภาคตราบนั้น ตถาคตก็จะไม่พยากรณ์ความข้อ น, นั้นเลยและบุคคลนั้นก็คงตายปเป็ก่อนเป็นแน่เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้ยวยลูกศร อ, อาบยาพิษที่อาบยาไว้อย่างหนามีสหายญาติสาโลหิตของเขาไปหาศัลยแพทย์ผู้ชํานาญมาผ่าบุดุลผู้ต้องสอนนั้นพึงกล่าวว่าตราดาที่ข้าพระเจ้ายัางไม่รู้จักคนที่ยิงข้าพระเจ้าว่าเป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรมีชื่อว่าอย่างนี้มีโคดว่าอย่างนี้ร่างสูงเตี้ยหรือปานกลางดําขาวหรือคล้ำอยู่บ้านนิคมหรือนครโนนถ้าพเจ้าจะยังไม่ยอมไม่เอาลูกศรนี้ออกตราบนั้นตราบใดข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่าธนูที่ใช้ยิงข้าพเจ้านั้นเป็นชนิดมีแล้งหรือชนิดเป็นเกาทันสายที่ยิงนั้น ทำด้วยปอด้วยผิวไม้ไผ่ด้วยเอนด้วยปานหรือด้วยเยื่อไม้ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้นทำด้วยไม้เกิดเองหรือไม้ปลูกหางเกาทันเขาเสียบด้วยขนปีกแรง้งหรือนกตะกรุมหรือเหยี่ยวหรือนกยุงหรือนกสิทินหนุกเกาทันนั้นเ้าพันด้วยเอนวัวเอนควายเอนข้างหรือเอนลิงลูกธนูที่ใช้ยิงเหล่านั้นเป็นชนิดไร ข้าพเจ้าจะไม่ยอมไม่เอารูปสอนออกตราบนั้นบุุษนั้นยังไม่ทันได้รู้ความที่ว่านั้นเลยก็จะต้องตายไปเสียโดยแน่แท้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นน่มาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมาก็หาไม่ เมื่อมีทิฐิว่าโลกไม่เที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมาก็หาไม่เมื่อมีทิฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามชาติก็ยังคงมีอยู่เจราก็ยังคงมีอยู่โมรณะก็ยังคงมีอยู่โศกะปริเทวะทุกโทมนันตุปายาตก็ยังคงมีอยู่ซึ่งความทุกเหล่านี้หละเป็นสิ่งที่เราบัญญัติให้กาจัดเสียในปัจจุบันทีเดียว ฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจำปัญหาที่เราไม่พยากรว่าเป็นปัญหาที่ไม่พยากรและจงจำปัญหาที่เราพยากรว่าเป็นปัญหาที่พยากรเถิดอะไรเล่าที่เราไม่พยากรคือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะเหตุไรเราจึงไม่พยากรเพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐคือโรมจันไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพานอะไรเล่าที่เราพยากรณคือข้อว่านี้ทุกข์นี้ทุกข์สมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เพราะเหตุไรเพราะจึงพยากรณเพราะประกอบด้วยประโยชน์เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐเป็นไปเพื่อนิพพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอีกแห่งหนึ่งจากสังยุตตนิกายมหาวารวั พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มีมากมายแต่ทรงนํามาสอนเพียงเล็กน้อยเหตุผลที่ทรงกระทําเช่นนั้นก็เพราะทรงสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้และสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้นั้นก็คืออริยสัจสี่ทนองเดียวกับที่ตรัสในพุทธพจน์ข้างต้นนั้นดังความในบาลีว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าสีสปาวันใกลพระน ค, นโครโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบใบประดู่ลายจำนวนเล็กน้อยถือไว้ด้วยฝ่าพระหัต์แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายสำคัญว่ายอย่างไรใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้ด้วยฝ่ามือกับใบที่อยู่บนพื้นทั้งป่าสีสปาวัน ไหนจะมากกว่ากันค้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดูลายจำนวนเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงถือไว้ด้วยฝ่าพระหัตต์มีประมาณน้อยส่วนที่อยู่บนต้นในสีสปาวันนั่นแหละมากกว่าโดยแท้ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้ยิ่งแล้วม่ได้บอกแกเธอทั้งหลายมีมากมายกว่า เพราะเหตุไรเราจึงไม่ได้บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มีชัยหลักเบื้องต้นแห่งโรมจันไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโร ธ, เ พ, โรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เราบอ ก, เ ร, บอ ก, กเราบอกว่านี้ทุกข์เราบอกว่านีทุกข์คสมุ ท, ทยัย เราบอกว่านี้ทุกขานิโรธเราบอกว่านี้ทุกขนิโรธถขาดมนิปฏิปทาเพราะเหตุอะไรเราจึงบอกก็เพราะข้อนี้ประกอบด้วยประโยชน์ข้อนี้เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ข้อนี้เป็นไปเพื่อนิพพทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโร ธ, เ พ, โรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานฉะนั้น เราจึงบอกเพราะฉะนั้นแหลภิกษุทั้งหลายเธอพึงกระทาความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขาส ม, มุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธค ข, ขามินีปฏิปทาอริยสัจสีเป็นหลักธรรมจำเป็น ทั้งสำหรับบรรพชิตและข้ารือหัดพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำให้ภิกษุทั้งหลายสอนให้ชาวบ้านรู้เข้าใจอริยสัจดังบาลีว่าภิกษุทั้งหลายชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดเจ้พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดีเหล่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดีไม่ว่าเป็นมิตรเป็นผู้ร่วม ง, งานเป็นญาติเป็นสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ยำรงอยู่ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจส์4ประการ